ที่เคยได้ยินมาจากพอ่อจากแม่เท่าแก่คือเราสู้กันหรือคนโบราณตั้งแต่สมัยคนก้อนพวกน่ะโคตรต่อต่อกันมาบางทีอาจจะเคยได้ยินมาเขามีบางทีพวกท่านท้งหลายอาจจะบุกเคยได้ยินกันมั้แต่การฟังนั่งฟังตั้งใจฟังด้วยสติสมาธิสัญญาพี่จรนาหาความจริงให้ได้ เรื่องใดมันต้องมีเหตุและผลเกิดขึ้นทางนั้นตัวอย่างเช่นว่าเหตุเกิดขึ้นคือเราหาเงินเหตุมันคือเราหาเงินผลของมันคือเราได้เงินมาเป็นผลของการหาคีอเหตุของมันคือเร า, าไปศึกษาเราเรียนผลของมันคือได้ผมรมูลอันคน้อมูลที่ได้มานั้นเป็นผลของการเรียนนั้น ดังนั้นเหตุของมันคือการขยันขันแขน็งคนของมันเขได้ประโยชน์ขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้จึงจะนํามาเราสูฟังให้ตั้งใจฟังให้ดีพ่อแม่เคยเราให้ฟังเหตุของมันคือการเจริญสติคนของมันที่ได้มาคือผมรู้ที่รู้ขึ้นมาเป็นมายของพ่ อ, อแม่ เทาแก่คือคนโบราณท่านสอนเข้ามาเรียกว่าการเจริญสติจีเนียนทัพพิเจ้าว่าการสา้างโบเมนทัพพิเจ้าว่าการสร้างหรือว่าพ่อแม่แมเท่าแก้ว่ามันการสางเนาะทดลองดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงเราต้องพิจารณาทำให้มันรู้จักจริงๆเท่าท้องมันที่ไม่ทํามาเมียว่ากานเจริญสตินี้นี่มาเล่าเรื่องการเจริญสติสู้กันสัง้ง โดยให้เป็นการอธริบัยเพื่อควมจริงมีมนคมควมจริงเมื่าเป็นจักจะมีในคนถึงจะรู้ก็มีอยู่อย่างนัไรถึงจะไม่รู้มันก็นมีอย่างไรทายๆกุญแจที่คว่เรามาไงสู้กันบึ้งหรือว่ากที่จปิดมันก็โต้สู้กันบึงงาานนบ้งดูบึงแล้วก็ มาทำอย่างเบ่งมาที่เป็นหรือไม่เต็มตามที่ได้ทำมา น, นั่งนั่งดีๆแต่หน้าเพียบก็ได้นั่งเหยียดขาก็่ได้นั่งเก้า้ก็ได้นั่งขับสมาธิก็ได้ทิศมือขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้ทิศมือขึ้นเป็นเหตุคนมันคือคนรู้ที่ทิศมือนั้นข้วมือลงให้มีสติเข้าไปรู้ ให้ของมันคือข้อมือลงพนของมันคือสกิเข้าไปรู้ยกมือขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้เอามือลงให้มีสติเข้าไปรู้ให้ของมันคือเอามือขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้พ่นของมันคือเอามือลงให้มีสติเข้าไปรู้ควอมูออันนี้แหละมันจะสะสมมากขึ้นสะสมมากขึ้นบางันจึงได้ทาเป็นจังหวะทําเป็นจังหวะ มันสบกับสอนที่พระพุทธเจ้าวาโกเน่เมื้อโกเน่คือเราฟังฟังกาวะเพร่ะว่าให้เจริญสติให้เจริญสติว่นทำเจริญสติแล้วมันเกิดปัญญาว่นดังนั้นที่ครูบาอาจารย์เคยเราฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสติสติประธานซีรู้อริยบุทคลซีว่าอริยบุทคงซีนี่จะให้มีสติพักนาหมุดรู้ ยืนเดินนั่งนอนอนนี้ได้บทใหญ่ๆและแบบ น, นี้ให้มีสติเข้าไปรู้กำหนดระยะบบทย่อ ย, ยอยๆคู่เยียดเคลื่อนไหวหนะี่งการคู่การเยียดการไหลโตพุทธิ่งทุกอย่างท่านาให้มีสติเัตาไปกำหนดรู้อัส น, นสติเขัาตปกำหนดรู้นะั่นเป็นผลคนณความมันจะเปิดขุมูขึ้นมาที่ได้ทํามานี่ นำคนจริงมาเอาสู้ฟังและบางคนหาว่าจะทุกข์ต้องกับปัญญาก็ได้บางคนอาจจะหาว่าไม่มีในตําลาก็ได้ไก็ยั่งใดก็ตามขอให้ฝั่งแล้วทดลองดูปฏิบัติดูถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็เอาไป่ใส่ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์เราก็ทิ้งไว้บม่เป็นอย่างนมรู้ที่เราเรียนมาไปเข้าใจกอนนั้นรู้แล้วแต่ว่าเราไปทำมาแล้ว มันทะลุพอประมะที่เอาคมรู้ไม่ไม่ที่บุกเคยได้ยินได้ฟัง บ, บุกเคยได้ยิน บ, บุกเคยได้ฟังมามันแปะแปะมือเขากําลังไปทําดูดุ่งเรื่องนี้ได้ถาน ม, มาแล้วพลิกมือขึ้นให้มีสติกําหนดรู้ยกมือขึ้นให้มีสติกําหนดรู้เอามือเข้ามาที่สะดืให้มีสติกําหนดรู้เลื่อนมือขึ้นมาที่หน่าอก ให้มีกติกาไปกำหนดรู้เอามือออกที่ตรงข้างให้มีกติกาำหนดรู้เอามือลงตั้งแต่แคงไว้บนขา ใ, นให้มีกติกาำหนดรู้ขูดมือลงให้มีสติกาำหนดรู้ น, นี้เป็นวิธีให้จังหวะเรียกว่าอเรียมบด ย, ย่อยเพราะคนเรานั่งอยู่นิน่งมันบไดายเลยหางานให้มันทําเมื่อหางานให้มันทำแล้วสติมันตกค ห, หยุดกับการเคลื่อนไหวมัน ว่าสติก็ได้ว่าสมาธิก็ได้ความรู้สึกมันเรียกว่าสติอสมาธิคือคนตั้งใจทนะํานั้นทําเนี่ยให้มีสติให้มันรู้ทำเนี้เขาไม่ตั้งใจทำในนันบุนรูษเมื่อตั้งใจทําอย่างนี้เ น, นี่แบบนี้ทิพตาก็รู้เขาเกิดมาจากเมฆของอพ่อแม่เขาขยิบทิพตาอยู่งขนาดบุรู้ เลือดไส้เละปวดมันก็ไปอยู่ทางของหัวรูเพราะหัวตั้งใจโบได้มีสติโบได้มีสมาธิมียู้สติสมาธิย่างธรรมดาธรรมดาต้นหัโบได้กำหนดรูอันเขากำหนดรูนั่นแหละนดี๋วสติสร้างขึ้นมาใหๆ่ๆต้มันก็มีอยู่นั่นสมาธิก็คือเขาตั้งใจนั่นแหละเช่นหายใจเข้าหายใจออกเขากำหายใจมาเจ้าน้อยๆรอท้องแม่มันก็หายใจมา แค่หเราเบานู้ตอนนี้ทำมาตั้งใจหึงหายใจเข้าสั้นออกเหงาละเอียดยากขาก็ตั้งใจดูมันก็รู้ตอนนี้มือรวมคิดมันคิดขึ้นมามันก็รู้มั้นเรารูแล้วเพราะอย่างพราะเตุของมันเพราะการเจริญสตินี่เอง <c oughs> ดังนั้นการเจริญสติแบบนี้จริงวะอยากให้ทุกคนนำไปสัจะบวชก็ได้โบบวชก็ได้ คือศาสนาใดก็ได้มุขฆ่าสี่อันใดก็ได้แข่หัวก็ได้บ่แข่หัวก็ได้รักษาสิ่งก็ทําใด้บ่รักษาสิ่งก็ทําใดจึงทําบุญให้ทำมากๆก็ได้ด้ทําบุญบ่ให้ทำมากๆก็ได้รักษาสิ่งก็ได้บ่รักษาสิ่งก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องของอันหนึ่งอัาการเจริญสติบ่ทำบุญเพียงทําบุญมากกับบุญรักษาสิ่งมากๆกับบุญ ไอ้ทำคนต้องหลบม า, มากกับบรุรุเรื่องมีบุรุษที่ได้ทำเคยทำมาแล้วหลายเรื่องในนั้นจี่นํามาเราความจริงสู้งันทำอย่างนี้เนี่ยมันได้เกิดไอ้มันเกิดขึ้นมันผมรู้อันคนรู้เกิดขึ้นเพราะงานจเจริญสติีสียเราทำควมรู้สึกจะรู้สึกมากขึ้นรู้สึกมากขึ้นความบุรูษนั่นคือโมหะ กูมลิลวงมันก็ค่อยมีไปค่อยดีไปตัวสติได่มีมากขึ้นมากขึ้นตัวสมาร์ทก็มีมากขึ้นมากขึ้นปัญญาไม่เคยขึ้นมาเรียกว่าปัญญาประเียอันนี้โบได้บอกจากนัวหนังสือปัญญานั้นมันมีอยู่แล้วตาละเตรพร้พอมที่จะรู้ถ้าสร้างจังหวะให้ทูกตอนถ้าสร้างจังหวะโบถูกตองโบรู้เรื่องนี้วันนี้เมื่อมันรู้มันรู้อันไดกันรู้ของจริง มันไปรู้นอกตัวเขาไปรู้เรื่องตัวเองกำนังนั่งอยู่นี่มันเป็นรูปเป็นนามเมื่อคลิกมือขึ้นมันเป็นรูปเป็นนามควนมือลงมันเป็นรูปเป็นนามคลิกมือไปมืมาไม่เป็นรูปเป็นนามม er. ันมีรู้เรื่องรูปนามที่นํามาแล้วขบคิดสู้ไฟฟ้าเมื่อรู้เรื่องรูปเรื่องนามนือแล้วรู้เรื่องรูปทำนามรูปทำรูปเฮานี้ไปทำนามมันจะทำพร้อมกัน มันทำนั้นเราก็รู้รูเพราะงานเจรินสตินี้เอนเรื่องนี้อันตัวเจริญสตินั่นเนี่ยปัญญามันเพิดขึ้นเพราะการเจรสติอนนี้แบบนี้รู้รูปโลกนานโลกรู้มิตรโลกขึ้นมาแล้วก็เป็นโลกเจ็บหัวปวดท้องหรือไข้หรือเป็นทางเป็นอนไรก็จำทราบกินได้กินเิดทุ่ตายก็มีแบงนี้รู้มันเต็น นามมันก็ไม่สบายมันก็เป็นหมดมีอีกชนิดนึ่งรูปโลกนามโลกนี้มีสองอย่างตามที่รู้มาอันนี้เราคนจริงฟัฟงรูปโลกนามโลกนี้ตัวคมคิดนั้นเป็นหนามแตมันเป็นลูกคิดออะนะบางทีคนพูดให้พอใจบอกพอใจนั่นหละรูปโลกนาม โ, กามโกามูกอันนี้ในจิตยิงย่งนางเป็นโลกรู้อันนี้รู้จริงๆริงยังมีพร ะ, ะเจริญปกติเป็นเหตุ คนของมันก็คือปัญญาเกิดขึ้นได้ลักลมสว่างจากเพราะอาจจะรมณ์สติเกิดเสีสยงเองหนึ่งูมื่ออันนี้แล้วกัเลยรู้ทุกขังอันิจ้อยงนักตาคําว่าทุกขังอันนจ้อางนักตานั้นตามตัวไหนสื่อหลูอพ่อแม่ปูาาออย่ย่าตายายสอนเอาไว้ว่าผมนวดฟันหักเมื่อไงมันแห้งมันแห้่ไปอันนั้นผูกต่วมันมะถูกตามที่อาริญสตินี้ ตัวเจริญสตินี่มันทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาวันทิศมือขึ้นตัวทิกมือเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัวคุ้นมือลงยกมือไปเอามือมนันเป็นตัวทุกข์ทุกข์ขังมันติดอยูกก่กับมือมือนี่มันเป็นก้อนทุกข์ตัวนิดนึงนี่อันนี้จังกะทูโท ไ, ไม่ไหวอันนี้จังเตลโทไม่ไหวอันนั้น า, าบังคับบางตาบบราณมันเป็นเยื่องธร้นตลอดเล่ลถึงจะรูปมันกลายเป็นยุติธรรม ถึงบุญูมันก็ไปเยื่งสันติาทำที่ทำให้พระพุทธเจ้านั้นมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอันทำอันนี้มันมีเยนมัดทุกคนสุดแน่แต่บุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของมันจะทำให้มันเกิดบุรู้ขึ้นหรือไม่ทำให้มันเกิดุูขึ้นถ้าห้าบุคคลที่เป็นเจ้าของนั้นสามารถที่จะทำให้หนลูกมันจะลูไใ้ใ้โยคนที่ค่วอยู่แล้วเราเียงไงขึ้นหรที่โายถ้าเรายงไขึ้นหมืนกัหงายขึ้น มันนีรู้แบบอย่างแท้จริงเมื่อรูสมมติดีแล้วก็อยู่อดเมื่อรู้ทุกทางอันนี้กันดีแล้วรู้สมมุติหนึ่งสมมุติมีรู้ให้ครบให้จบให้ทั้นันสมมุติงั้งคนป่ะมันเป็นโลหะมันเป็นขดานมันดูไม่จักว่ามันเป็นอย่างเอาไปสมมุติให้มั้นผู้หญิงผู้ชายแต่ทุกอย่ามันดูรู้เอาไปสมมุติให้มันเป็นผู้หญิงสมมุติให้มันเป็นผู้ชายเอาสมมุติขึ้นใหัน พันวัส ม, มุิขึ้นให้มันขบูฮักจักเอาส ม, มุิมาวากันเพื่อจะวัตสุกเนี่ยเจ้าหัวอจัวเนี่ถ้านั้นเ น, นี่ส ม, มุิขึ้นให้มันวัส ม, มุดขึ้นมาหักสมุดอาข้ามาสวดข้ขขาเนค่ะมันมันขบูฮักจักว่ามันเป็นขักขบูฮู้จักามันเป็ น, นมือบูฮักจักเลยทีเดูยวโตวัวใจโตสติโตสมาธิโตปัญญาไปหักนะนีะไรจับจับใะคจริงจริงโดยสมมติกัให้รู้ จินโดยปรมาภะให้รู้ให้รู้สมมทีนีคำว่าทีนี่เขาไม่รู้จักเทวดาเขาไม่รู้จักสมมติขึ้นให้นสมมุติก็ผีสมสมุติก็เทวดานี่ผีเราเห็นกับเทว่านี่แต่หั ว, วไปหั่นไหนนี่เห็นคนทาชัวผเอีไอตาเนี่ยคือผีเนี่ยมันเพียงแต่คือซูๆเพราะว่าเขา่รู้จักขอจริงพี่คือคนทำตัวคนคิดชัวคนคิดตัว ตัวคนนั้นมันบมเหตุเนี่ยมันเป็นรูปเป็นตุกตาซิซิโ อ, อมันเคลื่อนมันไห่โตจิตัวใจของคนคนที่มันบมเหตุเหตุจะคือซิซิเทวดาจ็เห็นเทวว่โมเหตุนี่แต่ผู้นี้คือเทวดาเท่นเขาสมมติข้าให้เห็นจิซิเพราะนั่นจว่าให้รู้จักสมมติจริงจริงเมื่อรู้จักสมมติจริงจร่งแ้วเขาบลูบลูแ้เรื่องนี้รับรองว่าโบลูตัวของ้าปเจ้ามีโบลู แต่คนอื่นอาจจะรู้กับบุรุษจักบุรุษ ก, กับบุรุษจักแต่สําหรับได้ทํำมาแล้วเรื่องนี้รู้จริงๆเรื่องวิธีทำพุทโธวิธีทำสัมมาอรหันวิธีนักหนึ่ง่างสามวิธีทำของนุกวิธีนั่งนูลมหายใจ บ, บุรุษบุรุ้แท้ๆอันนี้ที่ได้ทํามามันไปรู้สงบมันไปจิตคสงบดยงนั้นอันคนสงบในตัวเองสมถะสมถ า, าน คือเอาเหินมาทับแง่เนี่ขน า, ยยากันไ่เอาเหิน อ, อะไรแง่มันงานตเดิมเพราะินมันซุ้วิพันาแต่ว่าหินแง่รู้จริงถอนลา่าถอนโผส่เปวกันทรู้แจ้งรู้จริงกับนายถึงการถอนล่ถอนโคนนี่เอนรู้อันนี้รู้จริงจรงผู้ใดทำเขรู้รู้มัทุกคนให้ซว่าคนเกิมาเป็นคนทำรู้มัดซุ้มซาดายาซาดคือซาตนาใด้จรู้มัด แต่ว่าพูดแ้วให้ลูกภาษากันอันนี้พูดกลุ่มจีนพูดกันฝันมุนีวันนี้ลู่อันนี้แลกันเลยลู่ภาษนศาสนาไบ่ได้หมายถึงวัดอันวัดมันก็นี่อยู่ในศาสนาสมมุติไม่ว่าสมมติบันก็บรรยากันมาปัญามักบัญญัติคือปัญามัของจิงคือมายุ่งคนตัวคนทุกคนจะเป็นตัวศาสนาศาสนาจิงพนณาขั้งสอนสอนเข้าหู เมื่อฟันเข้าหูแล้วหูมันฟังเมื่อฟังแล้วมันมีสติมีสมยยัมมาทิฏฐิงานไปที่ใก่นามื่อก็เลยรู้รู้จริงๆอันนี้ว่าตัวคนทุกคนจะเป็นตัวซาสนาเขาไปทำลายศาสนานไปทำลายศาสนาเาว่าทำลายวัดวาพารามนี่ทำลายพระพุทธกูปทำลายต้โนโพไปทำทำทำลายซาสนากาหมายถึงไปด้าคนไปตีคนนึกไปฆ่าคนท่นนั่นแหละทำลายซาสนา ธนาบาทนักเเพราะว่าถ้าคนในบาทนะเขาไปธนาศาสนาตัวศาสนาในจริงคือตัวคนไปดาคนัไป่าศาสนาไปตีคนกัไปตีศาสนาในจริงว่รเมันบาปอันนี้เข้าใจอย่างจริงเจเรหายใจด้วยมีไม่จริงนำคนจริงมาเราสู้ฝันวม่รี้เพื่อเป็นการเล่าคลรจริงสู้กันพุทธศาสนาพุทธเจ้าควรรู้ตัวคนนั่นบางรู้มันเป็นจุกต า, กา ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญามนุษย์เพราะได้ยินในฝังในมันที่แจ้งพุทธจึงว่าตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาจิตใจที่สะอาดสว่างสงบมันมันมีอยู่ในคนทุกคนโดยหยุดเงเี้ยพุทธังคีวันนี้มาพูดถึงบาปบาปก็คือบุ้บาปกคือนิสแล้วันนี้เรายานบาปอุบาแล้วทําไมจึงบุญธรรให้แจ้งทํานทำให้แจ้งเราเงินตะวัเจ้องกลัวนะ าหามุจักอะไรได้บางที่บ้า ก, ก็คือบุญคือวคือคนอยู่ที่มดหมืนอนใบแจ้งบุญได้ประมานี้บุญคือหูบุญคือแจ้งบุญคือหูจักมันเป็นอะไรข้าใจเรงนีจรงแบบ น, นี้เมื่อสมัยตแต่ก่อนหรือเดือวนี้ก็คือครับคนไปใช้พากัหน่งานเปนว่าย่าไปมอหลยมันที่บา้าไปมออัาพออ่อบเรกว่าครูบาโน้นครูบานน้นมันบาป ให้คือเจ้าหัวไอ้จัวหลวง้่อหลวงตาเนี่ยเป็นโกบาศเข้าไปวูชักมันบาปนะอันนี้มันเป็นสมมุติเรื่องบันี้บทต้องกลัวบาศย่าไปกลัวอเอาศสนาบาศบ่ได้แล้วบ่มีโอกาสบ่มีเวลาที่จะาสนาเขาศาสนาข่มไม่ไดยากโกลบาศเอาสนาบาศให้ได้อันนี้บ่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการทําบุญบ่ได้เกี่ยวข้องเรื่องหลักฐ บ่ได้เกี่ยวข้องเร่องวิไงเมื่อได้เกี่ยวข้องอย่างทั้งหมดการสร้างสติรูดูขันดมันเป็นธรรมมันเป็นวิไงมันเป็นสิ่งเป็นอะไรทุกมัดอยู่ไหนมีมัดเลยปรเดียวรู้อันนี้แล้วคนความันเพราะการเจริญสติจิตมาลู่อันนี้ถ้าหากบิสร้างสติอันนี้ขึ้นมาตระเยนในจิตนี้บ่เหนหน่อยเพราะมันเป็นคนจาอันนั้นรู้จำรู้จักมาเพราะจำ โบมีนรู้แจ้งโบมีนรู้จริการเจริญสตินี่โบมีนรู้จักบมีนรู้จักมันเป็นการรู้แจ้งมันเป็นการรู้จริงรู้แน่รับรองได้ผู้ใดทำการรู้เพราะว่าคนมันรู้คือฐาทุกคนเพราะว่ามันมันมีเหมือนฐันทุกคนอยู่รับรองได้รู้อันนี้เป็นอารมณ์สิ้นพื้น่อนการเจริญสติทนของการเจริญสติเปื่อๆอันนี้ เป็นอะไรนักแก่ขัเดาแก่ขับไปหนึ่งที่โบติสมมุติสองที่บกบัวหีสามที่บกลัวเทวดาโบติสมมุติเนี่ยทั้งหมดห้ขวบม่มีนั่งโบต้องกัวหีมันไม่มีเทวดามันบม่มีไม่มีตัวไม่มีตัวถ้าเป็นสมุติทํานไหนที่ฟิวงี้มาให้รูสมุติที่คือคนทําซัวพูดชัวเทวดาก็คือคนพูดดีทําดีทิ่ดี มันเป็นเนวคิดขสงสพ่อหาทิจจีโบนิจจเตื้อพ่อหาเทวดา่บโมหิจกเตื้อพ่อหาลูคของจินเมื่อหาลูความจินแ ล, ลน้วก็รู้ไ่้มาจให้ลูกขวมเป็นคนอันคนนั่นแหละมันมีผีในขณะพูดขึ้นมาคิดฟัวขึ้นมาทำฟัวขึ้นมามันเป็นผีแันนี้ในขณะทำพอประมาณเหมือ น, นทาดีพูดดีขึ้นมามันเป็นคนมันเป็นเทวดาเหมือน วันนี้จิตใจมันโกฏิรูบมากขึ้นมาหยับยังสั่งใส่ใครเพมนุษย์มันทำให้จิตใจมันสงบหรือสะอาดอยู่เรื่ อ, เ, อเป็นเอื้นหิวดาหรือผมนรืพระเน่ยควมเป็นพระเหนียวเป็นตรบกเลยู่วนี้รู้เรื่องนี้แล้วมันมผมรู้อันหนึง่งมันสามารถที่จะแทงจะเจาะให้ท้ายค้ายทียยย่ว่าเขามีพื้นฐานดีนักบ น, นี้ดังนั้นนี่เป็นน้าจริงมีอารมณ์ อารมหกพัน่ะตาหูจะมกเลียงกายใจนั้นอารมณ์พันลาให้รู้จักขันห้านั้นอันนั้นตำลาตำลารู้จักขันห้าอายกณะาสิบซองาตุสิบแปดปิญจียี่ซองอริยสัจสี่ตัจิจทีสมุกบ้าทิ2องนั้นเลี่ยนลนเลี่ยลบลอยูรู้ที่ซื้อรู้ที่กดจันมันบมลูมาอันนี้ี นีม่มาจะเริ่มเสกีย์ น, น, นี่มันลู้อันนี้อันไม่ใช่ว่าเป็นของจริงของแท้เพราะว่าพ่อแม่เคยเราสู่มัางคนบูรโลงโราณเคยเราสู่มฟเรื่องนี้บัด น, นี้นีม่มาเอาสติบ่นนึวกว่าคอยดูผมคิดมันคิดอย่างก็รู้เพราะเฮาเคลือนไหวเฮามีสติอยู่นิดนึ่คนคิดมันโมเป็นตัวโมเป็นตัมันคิดขึ้นมาเฮามาจะมีสติคอยรู้อยู่ เหมือนแมวขอยดูหนูหนูโดดมาแม่มันจับ ท, ทันทีอันนี้ก็คือกานเฮามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้มันคิดขึ้นมาเมื่อเฮารู้เฮาเห็นเฮาเข้าใจนี่ก็แปลว่าเฮาแก้ได้หรือเอนชนะมันได้พม่ใช่ว่าเอาชนะให้ได้เป็นอย่างไเอาชนะขุดอุ้มรอยทั้งสังคมโบ้มีอนารมณงเข้ากับพระนักปุ่มทีเดียว เอาชนะตนทีเดียวนั้นก็มีเอาชนะบนเอาชนะตัวความคิดมันคิดขึ้นมาเราห้อหินเขารู้มันเลยว่าฝูงโมตังดึงอยู่นี้เอาสติอยู่นี้มันเคลื่อนไหวโดยดดยิตงอยกจะให้รู้อันนี้เป็นเหตเพราะมาอันจเจริญกติคนเพราะมานันนัเพราะมารู้ความคิดรู้ความคิดมันรู้ไปมากขึ้นมากขึ้นมันเกิดอย่างเกิดเป็นไงรู้ รู้อันไดมันเป็นอารมณ์รู้แจ้งรู้จริงบมเมนรู้จักบมเมนรู้จักรู้วัตถุวัตถุไม่เทิงของที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกรู้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในเ่าวรู้ให้หมดนี่วัตถุตาลมัดไม่เทิงของมีอยู่ในโลกูให้หมดไม่เทิงของมีอยู่ในห่ารู้ให้หมดสัมผัสทรู้อันนี้ตัวหน้าปะลาดอาการหนึ่อาการทุกสิ่งทุกอย่างของที่มีในโลกเปลี่ยนแปลงได้ อาการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในเราเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เรว่าอาการบัดนี้มันก็รู้อันนี้ชัดเจนแจ่ม แ, แจ้งแล้วมันก็เลยเห็นรู้เข้าใจทาทําได้โทสะโมหะโลภเพราะมันเป็นวัตถุมันเป็นปณิมัดมันเป็นอาการเมื่อรู้อันนี้แล้วจิตใจมันโบกบานละเลยเห็นเวทนาบุปผุสัญญาบุปทุกสร้างข้าบุปผุยิ่งงอบุปทุก ควรเป็นพระอนยุที่ตรงนี้ควรเป็นพระอันนี้บ่ได้หมายถึงท่าเหลืองไ่ได้หมายถึงโกนหูวมายถึงจิตใจเต็มอันนี้บ้เม้นไม่สมมติอันนี้อันนี้พระเอ็นประมาัทตอนนั้นมักเป็ว่าของจริงของแท้ควรเป็นพระอันนี้มันมีอยู่ในคนพวกคนบริเวณถ้าหักกระโลมสติแบบนี้มีความรู้สึกเป็นเหตุคนของมันคือรู้อันนี้รู้อันนี้แล้วกันรู้จาก เอาพระมาทีแค่ตรงนี้ถระจริงแต่ว่าผูส้สอนสอนให้คณรู้อันนี้เมื่อรู้อันนี้เราใส่บทมีทุกคนไม่มีทุกในส่วนอื่นค่ะไปใส่มาใส่ไม่มีทุกอันพระโดยสมมติน่ะค่ะรู้สมมติซื้อถ้าอันนี้เองพระจริงจริงอยวู่รู้จักสมมติบัญญัติปรรมบัญญัติอัตถะบัญญัติอริยบัญญัติมนดูกันมิ รู้เมื่อจิตใจเตรี้ยงจกสภาพอันนี้หอนี้รูต้องมีไตรสรค่อดอันนี้ที่เคยทำมาอันนี้นัอได้ทมาแล้วรู้รงนี้จริงๆริู้เรื่องอื่นบุตรทูตตามควรเห็นความคาดการณของข้าพเจ้ารู้อย่างทีคนอื่ที่ว่าท่ข้โบเซียโบเสียจริงๆรงอันนี้เมื่อรู้อันนี้นะรู้อันนี้น่าจะเจริญปติต์ต่อไปอีกทีมันก็ตีตบด สบายใจเบาอกเบาใจนุ่มแล้วก็สว่างขึ้นมาสกปรกแล้วก็สะอาดขึ้นมาเมื่ข้าวกลับบ้านนักแล้วก็เบาจิตเบาใจขึ้นมาเพรากายแล้วหัวตจจิตใจแล้วหัวาจเป็นว่าทีให้เบากายเบาจิตเบาใจแลายแล้วหัวใจิตใจหัวใจคุมเบาความกายคุมเบาควาจิตควางใจทีตรงนี้เมื่อจิตใจเต็มจากสภาวะนี้มันจะมาดูสภาวะนี้ อันนี้เนี่ยใช่ว่ามันปุพร้อมกันทันทีควรมูกเกิดขึ้นควรมารูหายไปทันทีควมปุ่มภาคเกิดขึ้นควมปุ่มภาคหายไปทันทีควมเป็นเทวดาเกิดขึ้นควมเป็นทีจะหายไปด้วยทันทีควมเป็นมน <uk le devotion worldwide> <Informationen> ุษย์เกิดขึ้นควมเป็นมนุะหายไปทันทีมันเกิดขึ้นมาแทนกันเรียกว่าเกทีนี้มากายอยู่ทีนี้ว่นนี้มาเกิดมาตายแปลงอันนั้นเรื่อง อันนี้พอเป็นสมบัติ์ทุกขงักองอนิี้กวางในตาเมืองกันรู้ขึ้นมาครั้งนี้รู้ขึ้นมาครั้งนี้แล้วก็กลมสติต่อไปคล้ายคลยคือว่าน้ำท่อในโอ่งหักเกิดเป็นอารมณ์ตัก อ, อัดสักเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วสตีมันลดมันว่ดเต็มเหมือนเต็มเอาความรู้สึกอยู่นี่มันเต็มพอดีรู้ปุ๊บไอ้จิต ม, มันไปจิตอารมณ์พอดีเค ล, ลื่อารมณรู้ขึ้นมันมั่นใจ จำก็ไปใ น, นสมองมันบวกลบบุรีจักเถียมูตั้งแต่มเมื่ออายุ46ปีมาถึงปัจจุบันบุรีจักเถียรู้ลูบน้ำรู้ตอนซังรู้เลื้องจิตใจเตี้ยงเต่งรู้ตอนแรงรู้เรื่องนีง้จริงๆแม่จิ๋ก ล, ล้ายืนยันรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าใดพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เนื่องทำบุญให้ทานักสากยพิั้นกับแม่ยูอับ น, นันทกี บมีพุทธสอนของพระเฮตเป็นเรื่องนีบุญมีระเฮตหรือตะเรียนตาหน่าให้ตะเรีนสติดิ์ศรีให้ตเรนศัิีแต่ว่าตะเรียนศิเฮตจะห่บูรหุจักแล้วก็ให้บเท็ทางจิตเฮจะหน่อยบหุจักอันมีสเวะบูรหุจักผู้บูรหุจักมาสอนพระบูรหจักผู้บูรจักมาสอนตหุจักลบนบดเขาจะมีความเหตทุกคนมันเป็นการยืนันับยอนแลทำคุูนี้นับองได้จริงจริให้ทุกคนเป็นพระได้จริงๆ พระหมายถึงผู้สอนผู้ยิ้รู้ก็สอนได้ผู้สายรู้ก็สอนได้ผู้ใดรู้สอนได้เท่านันเดียวพระพระจิ้งเต่อผู้สอนพระจิ้งเตว่าผุประเสริจึงเเป็นพรเ็นมืพอพอทานลอรือเป็นอ้นพรขันท์เจ้าละกถึงพระพรเพาะได้รับความยกย่องจากบุคคลที่บุคลรู้ไอสอนให้ขันเจ้าขัเจ้ า, จ า, จาราู้ขเจ้าหลยยกย่อง น, นี่ว่าพรพรแปลว่าระเสิเป็นมาจังหความรู้ที่ปเสิด้มาอันนี้เปนา าถานธมทานความรู้แล้วก็แงแนววิธีการปฏิบัติเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเัาจะยกตัวอยู่ดูนิดหน่ยแค่นี้อันนี้เป็นทางเลยขอพระเดียวกับคนจริงๆนี่แหละรู้อัถยาบ ญ, ญัติรู้อริย บ, บัญญัติจะเลื่อไปเมื่อมีสติกำหนดรู้คิดมือขึ้นกับรู้ควบมือลงกับรู้มันคิดกะบรู้ รูมาเข้ารูมาเข้าความปรากฏเกิขึ้นเดีวยวว่าญาณขอปัญญาญาณเกดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วให้แก่เราโบมนว่าที่ไปเรียนเอาล่อยญาณเกิดขึ้นแล้วโบมีนเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วอย่างเข้จาจักเนาะญาณเกิดขึ้นรู้กีเล่มรู้ตัณหารู้อุปท า, านรู้กันเห็นแจ้งรู้จริงบัดนี้เมื่อเห็นแจ้งรู้จริงกิเล่มตัณเอาตารางกั น, นะะลดน้อยหรือเบาลงอันนี้จังหวะ เป็นของจริงของแท้บอต้องเชื่อข่าไททั้งหั้ถ้าหากรู้อย่างมีนแล้วมีผู้ใดมาว่าโบเมีนมันโบแม่นของขัดเจ้ามันแนวของเหว่ถ้าคนละคนมันก็เห็นของไทยของมันจีสมมุติเอาซื้อเนี่ยถ้าผู้ใดเจ้ามาว่ามันโบแม่นเนี่ปฏิบัติหน่อยถ้าบูเสียอันเพราะว่ามันจริงแหละมันอันนี้แหละเรื่องสติปัญญาเกิดขึ้นมันมั่นใจมั่นอบมั่นใจจริงจรเรื่องนี้แบบนี้ เมื่อมันลุอ้อ น, นี่มันตื้น ต, ตีตีขึ้นมันพอใจในข่าวนั้นลุ้อันนี่มันก็ไปนอนไปนอนนอนตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาลับมาเดินจงกรมันเดินจงกรมมันเป็นเป็นเหตุด้วยไหมคนเขามันตืข้ขคนลุ้ขึ้นอีกตื้นตืดนคนมุ้ขึ้นมาัเดินไปเดินมาคัลุ้นแบบนี้มีตะขาบตัว น, น, นี้แรงขามนล้วอันตะข า, านั่ก็เป็นเหตุคนของมันที่เราเห็นตะขานั้น เลยเอาเทียงไขตามไปบูรณาตคาบโมบ่เห็นเัวตาขามเน่เอาเทียงไขไปไว้ที่เดิมเลยมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานั่นเป็นเหตุคนของมันเกิดขึ้นคูอรู้สิ่สิ่งขันสมาที่ขันเป็นเนขันมันรู้จากนี้ขันไปว่าที่ขันไปว่าโดนับขันไปว่าตอสู้สู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขันขันแตกไปทำงานบุได้จิดขันจกกก อาไปจับบานให้พะกบบระบยยาเนื่อเอาไปจับอาหารกับวได้กินมันเปรียกเทียด จ, จังเลนวันนี้ทางกำลังพว่าอาทิตย์สิทสิกค่าอาทิตกิจตาสิทธิค่อาทิตย์ปัญญาสิกค่ะเอามาเทียบกันได้ ท, ทันทีอันนี้ชอว่าสิ่อันนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งจึงเป็นเครื่องกั บ, บ, บกัดกินไดยังงายกินด้ยังง่ายมีแล้วสิ่งยังปรากฏเมื่อกินดยังยง่ายบนเขาไปสิ่ม่แปรากฏให้สิวาส่าเป็นการทำซ้ำสิ่งนั้นมันไม่ได้ขอนังไถ่ธรรมุ สิ่งนี้มันมีอยู่ในเรานี่ยนะมันมีอยู่ในคนทุกคนสิ้งอันนี้โบได้ไปหอดทั้งมัดจริง่ะโบเกี่ยวข้องกับการรอกษากสิ่งแต่เกี่ยวข้องเรื่องการเจรินสติเท่านั้นเมื่อการเจริญสติแบบมีอเนี่ยคนเขามันจะเกิดแบกมีอขึ้นมาเมื่อนู้อย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจว่าโอ้สิ่งเป็นเครื่องกำจกกัดจิตยังไงกำจัดไม่จริงจริงสิ่งมีกำจัดไม่จริงจริงแท้ภาวะกลี่ยเอาไปแล้วสิ่งจะปรากฏ ค้ายๆคือเอาคนละไม่ไปปลูกคนละไม่ไปปลูกเอาไปปลูกก็ในดินให้มันมันแากขึ้นมาในมันเห็นอันมันงอกขึ้นมาในเห็นหน่อเห็นจามันเหมือนกับมน่อกล้วยบูมาจากในดินหมือเหมือนกับหนอ้อยบูมาจากในดินหมือเหมือนกับหน่ท้ายหน่อพายหน่อมากและจ่าพายจอมันมียุ้ยใดมาทันเมื่อมันพ้นออกมาทัอย่างเห็นงูเห็นหน้าก็เป็นคนของมัน การฝาโลงสาตีรูกยาหามตั้งอกตั้งใจพยามจะเลยจริงจริงให้ชวิตตั้งต่ตั้งแต่ส้างทาบุญให้ฐาน ม, มากๆก็บ่รู้เรียนหนังสือมากๆก็บม่รู้เรื่อนี้มันบวเกี่ยวข้องเรื่องนัน้นนี่มันแก้ทุกได้ถูกดังนั้นเมื่อแก้ทุกขย่างนี้ได้แล้วก็ยืดใส่กับสบายเป็นพอ่อเป็นแม่กับสบายเป็นครูโรงเรียนกับสบายเป็นลูกเป็นเต้ากับสบายเป็นการรั้วห่างกับสบาย เป็นหากเป็นเมืองกษสะบายเป็นไทยกษัตบายหมดเพราะว่าผมโอผมโลกขมลหายไปคามยึดมั่นคือมั น, มนหายไปแต่ให้ชวนอารมณ์มันเหงื่อยๆอย่าลืมย่าหลงเห็นบล้วหลงบมลุมนในเพาะที่เฮ็ดมาหนึ่งลูต่อพูดมาโมลุนซัดเคล่อนตอนนีู้สอนผักเมื่อลูอันนี้เมื่อไหร่ลูเรื่องสมาธิประชา ม, มสงบ โอ้ hey. สงบจุ่มีือด้วยสองแดดสงบบอกนุ้สงบแดดเดือดอันไหครว่าอันนั้ให้ทับุพใจับเทปหนึ่งสงบชื้อคืออันนั้นได้ว่าสงบสมถากรรมฐานสมถะกรรมฐานจริงว่าเป็นอุบาสสงบจิตสงบใจอยู่ตรงนัู้้ปัศนาไปว่าหุ่นแกงรูจึงก็สงบจึงว่าสงบคนละอย่างถือว่าให้ฝันนี้บุรู้คมสงบได้อันไหนบุรุษคนสงบไหมให้จะโลสติตังหากนัมันหักยกคนสงบขึ้นมาผื้อช้อ ถความสงบมันมันมีอยู่แล้วคนสงบมันเกิดขึ้นคือมันบูยิดมันบูถี่มันมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงมือคนรับปุ๊บสติมันเข้ามาหนึทายทายคือเขามีเก้าอี้ใบเดียวแล้วมีคนส่องคนทุกข์ก็เงางามอยู่บางทีพอดีมัอคนรับปุ๊บสติมันเข้ามาแล้วมันมั่งยู่บ่นมันกีโกดีโลจิมส่วนโมหะโกรธาโลภามันเข้ามาไหนเพราะมีสติ มือสมาธิมีปัญญาเข้าไปบยู่หันแล้วอันนี้แหละขมันเต็มควงเต็มอันนี้มันมีอยู่แล้วเจ้าก้อน ห, าวาหัวว่างหัวโบเห็นแค่ว่าว่างกับมีอยู่ขครทายถูกได้ขมุดให้ฟังห น, น, น่อยเถอนเาน้ำเขามองมบือโเห็นม่ยังแค่มันมีอากาศูหันขบับบายุฒิาชาปจ า, าวเขาเอาน้าเข้าไปเอาน้าเข้าไปอากามันนีอากาศเขาไไ้ขาบริเวหน้ามันปุ๊มันนี่มืพอกน้ำออกแล้วอากาศมันเข้าไปแทน เมื่อนกันกับตะกวี้ใบเดียวเมื่อมีสติสมาธิ ї, ปัญญาเข้ามาแนวว้นคงลงโมหะโทสะโลภเข้ามาบริสุทิ์จริงๆวัด ล, ลองจริงๆเพราะว่ามีคนพูดมันเห็นหม ด, ดเดียวเหนหน้าเห็นตาเลีย้ยงซื้อเสียงเรียงนามมันได้จริงๆอ น, นุ พ, อนอพ่อแม่ก็เคยสอนเอาไว้อดเอา้ามีผู้ใดพูดหนึน่งว่าให้อดเท้าอย่ามากักโกยอย่ามักโลบมักโง่เหมืนกันมันอดบ่ได้อดชื่ออดบ่ได้ วาที่เพื่อนว่าอเอาเอาอดเอานะบ่แม่มันไม่เห็นเมื่อไมมีคนมาด่าไม่มีคนมาว่าให้มันก็สบายแล้วเว้ยเพรามันมีอยู่ในใจอย่างอ่ะแล้วก็บุคคนผู้พิจิตรเจ้าของจิตฮิตให้ปากฏขึ้นมาคันฮิตให้ปากฏขึ้นมาแล้วให้มันเห็นแจ้งรู้จริงเนี่ะเห็นพวกคนหับหลองไปนักตะโกนคันบุคคลผู้นั้นบจะโองสติเมื่อทาให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาต่บเมืู่่ที่ปุันนุ่มเพรามันมีอยู่ อันนี้แหล่จุลนู้จักทะลบนับถกซึ่งกันได้ขาดมันเป็นเดมื่อนู้ดันประก่บู้จกักต า, ามแล้วตามก็คือคนพวกรไปทาคนสงบนี่ยามคือมันจิตตามคือมันจิตจนตา ม, มาล้มนู้อาล้มมันตงนตามามันเป็นอตามมาสวะตกอยู่ในกองกลางทวารสวะตกอยู่ในาขาทบมันเป็นทบเป็นฟาบมาย ยันอาวาตะอาวิชาสกุลบุรูษบ้าเนี้เขาทมาลู้อันนี้ตามอกตามนี่ถ้าสมมติจริงจิกับคนพวกเทวดาถนกคนมีเงนมีท้องเป็นเจ้าหน่ายพวกใเนี่ยค่าที่เป็นเทวนาแล้วเนอันนี้ก็สังพงมีกาติดติดสีวงติดง็ดปิดลาดเนี่ยตดเก็บติดงดไปอย่างต่ำแบนี้คนมาติิกะสังทำไปติดกระสักับคนมีการที่แบดนี้แต่ว่ากับบทห้ามนานเลตก สอนเื่อสงายตั้งทช่อู้ที่ปฏิบัติทางใจเหมาะ ป, ปฏิบัติทางมูนูจังปฏิบัติการปฏิทุการมาสละถ้า่าสละปฏิทุอนุญาตสังปิทุเพราะมู้นู้าาา น, น, นงังนีู่้เรื่องสมถะกรรมฐานไหสุงัยจังบารู้ปัดเ่งความสงบมืรับควมรู้รู้จริงๆอย่างนี้พาที่ว่าต้งก็ว่ามาเรอะมองเห็นสภาพคุณ้วนวันนั้น มองเห็นศรัทธา พ, พุทธวันนี้พ้ามันมีที่ในเขาเนะี่มะเฮากมรอยังนั้นบัณฑิต ม, มาเปิดประตูออกมาของที่มันร่มหนาวขึ้นมาของที่มันปูกเปพดออกมาให้คนรู้ให้คนเห็นว่าซึกงซอันมาเปิดออกมาเปิดออกมาไม่ว่าซึ้งซ้งเปิดออกมากรรมหมายถึงสอนวิธีปฏิบททัติครับวิธีนั่งจังสังวิธีนุกจังสังวิธีสร้างจังหวะจังสังวิธีกล้าจังสังวิธีวาวจังสัง รู้กตัวก่อนเคยเคยนด้เรียนครูบาจารย์สอนวิธีกาบขนาดเบนจังข้าะดิฐกาบให้มีห้าองค์องค์ห้าตังกาดลงเอาแขนซอกกับหัวเข้าเนี่ย ต, ตุกๆกันนะจ๊ะเอาหัวหงูซมืเป็หนห้าองค์ห้าตังแล้วบประกาศลงไม่ขนาดนั้นกำลังรูใหม่ๆไม่ได้กาดเพรามันมันเงินขึ้นไปเนี่ยถ้าเราจดนี่มันบังปุ๊บออกไปโลมัน มเข้าใจอย่างนันอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากจิตสนุกบันนี้การลมหายเห็ดใหม่เอาเหัวเข้าเขาไปแคทแคทกั น, นแล้วเอาแขนซอกป้อนเขา้กากาดลงกลาดลงกันคุ้นตู้ไปมาติดกับต้นมือมืนก่บให้มันกระโดงขึ้นมาเมื่อบันนี้มุ้งเอามือลงซอกเอามือเอาเหวัวติกเอาเหวัวกับมูอไปาผมคิ้วบโดนซ้าลุกขึ้นเอามือมาวางเฉยๆครับเีื่อเอามือเข้ามานนะโอ๊ห้าเอามือมา เขาเชื่อคําว่าเบงจังทับปปบารุภูมหมายแข่งกาบมีห้าจังหวัดดังนั้นการปฏิบัติในเรื่องปฏิบัติแบบปกติที่พูดนี่ผมม่นไม่ั่วกําหนักตำราได้ไ ง, งที่ขัดตำรากระตันต า, าที่พุกต์อ็กตันากระตันตาบาที่เอาอย่างสีเพราะให้อย่างู้มันรู้อย่างสิมันเป็นอย่างนั้นผมไม่คิดวา่าเรียนมาแล้วเอามาพูดอามาสมันดีอยู่อันนั้นกันเนมื่อทานหาของจุนบารุ บุครูบาของพระเจ้าป่า้เรียงกะบุได้ถามมาแล้วหลายคนห้าประเด็นเจ็ดประโยเคยถางมาแล้วประเด็นห้าประเดี๋ยงขอน้เคยถางมาแล้วบูรู้อยู่เราชถมต็งบมทุกอาให้จไบไให้จังไบบุหมจักนั่งจังไบนั่งเข้าจังไบยืนเข้าจังไบบุอันให้จังมาะมันคื่าแบบมีูอยู่เขาไว้คิดเป็นเม็ดคิดเพื่อักบุญ คิดรูขึ้นเนี่ยให้รู้ทันทีควเมือลงให้รู้ทันทีว่าไม่ให้จังหวะเป็นเาผูกบ่แงเนี่คดจังหวะนี่เป็นเหตุของมันเนี่ของมันปัญญาตกทุนคุณนี่เป็นผลไม่เปเหกับคนผู้มันไปนากนมันเป็นเข้าเจาบ้มีจิงปบัดนี้มู้รู้เรื่องนี้แล้วกลรู้รู้เรื่องการทำบาปทาบาปด้วยกายทาบาปด้วยวาจาทาบาปด้วยใจเนี่ย กายทำบาปอย่างเมียววาจาพูดดีวันนี้วาจาทาบายังกลายทำดีใจพูดดีเป็นบาปอย่างเดกถ้าหากนรกมีนึงไปตกนรกคนนี้ได้วันนี้ทาบาปด้วยกายด้วยวาจาด้นยใจถ้าหากนรกมีจุงไปตกนรกคนนี้ได้ไม่เข้าใจอย่งนี้มันทำตัวเองอยู่ตรงกันข้ามมันมทาดีด้วยกาววาจาพูดฟัววาจาพูดฟัวใจพูด ถ้าหักสวันมีไปยุ่งสวัสดีกันไหถ้าในภาณีประ่งในภาณีกันไหนมันโหดจังเลยบัดนี้ทาดีด้วยวาจาทํดีด้วยใจให้วาธรรมดีเป็นญาติเนวัดถ้าหักสวัาดระปยุ่งกันไหนในภาณีไปยุ่งกันไหนบัดนี้ทำบุญทํดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งหมดเลยความกัดทั้งหมดเลยถ้าหักสวันดีในภามีไปยุ่งกนไหนมันโหจังเลยอันทาดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันเขาสร้างสันตวะดูเนี่ยมันทาดีด้วยกาย ควรปากขอาอยเนี่ยมันคาวาโยยุดดีด้วยนะไปาที่อันนี้พนระอย่างนี้ตาละแล้วพรมือแล้วที่จะพุขึ้นพัฒนาการเขย่าดาตลูกของบุคคลมีอูแล้วนะทุกค น, นมันมีอยู่แล้วโยตาละมีบ น, นมีคางตาะมีทราบหน้าองเขาอันนั้นถูกอยู่ครูบาอาจารย์พอแม่เจามันถูกอยู่แต่มันถูกน้อยมันบุฟุงาอันนี้ถูกทุกคนมาบุเชียทำมั ทำเบืองจริงๆวับลองแล้ว่ะไม่กโกงสัตว์จริงหูจริงๆอันนี้อันมี้เนี่ยสาระตัวพร้อมแล้วมีแล้วที่กดตู้ขึ้นแล้วใครใครฟูมะพร้าวเล่มผลไม้ทุกอย่างมันมีฟัวอยู่หนทํหไวเอาไปขราวทุกเรามันตอะมันนองขึ้นมาหูที่ตัวยังนึ่งยังไงฟูใ น, นข้าวอ้วนข้าวตุม่ม น, นี่แหละข้าวโพดเสียดินที่จริงก็เอามาจริงๆถ้าเข้าลูกไปงบหอก ขุด ท, ทุกบออกมือกับลีขุดน้ำบ่ทุกสาวบ่ได้กินขุดน้ำทุกสาวได้กินจริงๆอันนี้จะคือกานสร้างจังหวะนี่ทำทุกในใดผลจริงท่านทำบ่ทุกในบ่อได้ผนมือกับเขาลีดในะนะแรกเปงอกบอ่อออกมือกับขุดน้ำบ่ทุกสาวเนะี่คือจิตใจที่าได้กินนีนีมีทกานคลจริงนเราฟังมาเมื่ออันนี้ปะกบขึ้นเลมู้จักมู้ักว่าพาตี ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไธาตุโละสุ่มกันรู้จักอันนี้นะความปลาความเกิดขึ้นรู้จักที่สุดของทุกที่สุดของทุกเหมัอนอยู่ที่ตนี้ทางทลายไปเลยทีเดียวเรื่องนี้จึงไปเพื่ไถ่ั้งนั้นเมื่องานเกิดขึ้นถึงที่สุดได้หยาญยามีเมื่อถึงที่สุดอัน่งานกเกิดม่วนกับว่าเป็นคําปัจจปบันญยาบนี primero, ้เม mm. ื่อกรรมหยาินีแล้วติดหยาบปรากฏแบบนี้เมื่อ สมาธิวางกลางกุรสย่งเป็นเครื่องขังใจกุรอย่างนสมาธิเป็นเครืงขับใจกุรนะนรับรู้จักกุโว่งกลาเราอย่างรู้จักสมาธิปัจจุบปัญญากําจักรกิเลสอยู่ก็ยังไม่อูออก็หมดอปัญญาหนึ่งมแดงอันตัวปัญญานั่นเรียกว่าญาปัญญาทงเทศว่าญาณยอมนี้มันเป็มไลยอย่างหูวจักเลยมันไม่เป็นโบหุวจักในเดือนี้นัดลองว่าเป็มทุกคนบดยกนี้ เป็นท า, างสายตาด้านซ้ายผู้หญิงผู้ซ้ายถือทาบขนาดนั ก, กตา้าน้าเพราะว่าตัวหาไปเจ้ไปปฏิบัติเพราะว่าปุงยางรู้การเป่นหาฟันรู้จักอันนี้แล้วว่าธรรมอันนีู้่ที่สู่นองสู่อายสู่ทีฟังพอแม่ที่นองหน้าอฟังแล้วสามปีม ร, ม ร, มรู้เพราะว่าข้าก็หามไดูมาแล้วรู้น้อยรู้แค่ว่าจิตใจเตี้ยนจากสภาพความเป็นปุถุชน มาสู้ว่มเป็นระยะบุกคนาจะรู้จร <ận> ิงๆรู له. ้เห well. ็นถ้า <Lions>. ส่งไม่รู้รู้ว่าสมมติเสี้ยวรู้จริงๆรอันนี้หมายควาให้รู้สมมติบัญญให้รู้ประมัญญัตให้รู้อภิธบัญตให้รู้อนบััตรู้จริงๆอันนี้แหละทำงานทำงากศึกษาวิชาหน่อยการทางขับทหารวิธีทางพนักานสมมติจกสมมติจะศึะษาเพราะทางขับทหารนี่ยรู้มาอดตน ทุกคนมูอที่มีเสียะนะ้ยนระดับมันนั้นตัวมีซี่คู่แปดมือถ้าโซดามากคู่ขึ้นมาทักขึ้นมาจนจบที่สุน่นของพวกแต่ว่าโบอยูย่ไหนอันไม่เลือกแต่ทางคับปัะหาหักโบแมต่ตำลาได้เงิ น, นี้าเนี่ยไอหกแมได้ไหีแต่าแตทางคับปะหาเดียวหักโซด า, านดมนดูโบไม่ได้เอาไม่ทนเนี้ยถ้าขึ้นมาจจบที่สุ่นของพุกได้อันไม่เลืตทางขับปัญวิธีทำท่นกปัญหาเนี่ย รู้ขึ <hablando> ้นมาขั้นีนส no no no really no ่ no no ัง no ข no, no no ึ้นมาลอยเนี่มันจรงกันรู้อันนี้รู้จริงจริงู้มาตั้งแต่รู้นามัทธุสารมาการรู้ขึ้นมาเป็นยึเป็นยึเป็นยึขึ้นมาความรู้อันนี้จึงจริงนะครับยางก็มีจีิงนะครับต้องรู้จริงๆบ่มันที่ไปจำออกจากตัวหนสืมาเราได้เนี่ยเราอันนี้รู้อันนี้แล้วรู้แล้วรู้ในรถรู้สวรรค์รู้ในธรรมรู้แล้วอันนี้เนี่ยฝุกฝา และปฏิบัติให้รู้อันศึกษาอันเรียนมาก้นศึกษาไปวัดสร้างจังหวาในศึกษาปฏิบัติไปวัดเทิดมือขึ้นข้อมือลงเนี่ยศึกษาหให้รู้วิธีอันนี้เนี่ยเมืเ่อบรรลุพรมข้ามากเะโขึ้นหาได้ระอันนี้เนี่ยเมื่อมันพ้นมันก็ขึ้นมาในที่แตงโไผ่เพราะหัวลูแล้ได้บากหัวูเล้วดบุญหัลูแล้ได้ขที่ฝุกขอพวกัวลู ภัยสิว่าคิดว่าทุกข์เป็นเรื่องของคนอื่นเหมมันเรื่องสมมติอย่างนีให้หู้จักสมมุติจริงๆนะบูมหัจักสมมติจริงๆบนไหนนะอันนีเนีเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นคนของคเว้าเป็นคนของคนว้านีอันนี้ที่คือเี่อะี่าเป็นปฏิจจตกดสังขารสังขารปฏิจจเกิดวิญญาณวิญญาณป็นปรเกฏนามลูกนามลูกเป็นปฏิจจให้เกิดอริตะนะอริยะเป็นปฏิจจขัดแ้ ขัดใจไปก็จะเรให้ขัดใาไปก็จะกอให้เกิดตัณหาอันนี้คืเป็นขัดใจขัดใาไปก็จะเกลือให้เวทนาเวทนาไปจะเกิดปัญหาปัญหาปจะเกิดอุปทานอุปทานไปจะเกิดทุกขทุกข์ไปก็จะเกิดใจโกรธโจเองทุกข์ทำมเศราป็นปาอบไอันนี้คนว่าไม่รู้อันนี้เป็นลักษณะว่าให้คนมีปัญญาฟังคนมีปัญญาสังน่ะสแต่ครจริงอะวิสาแปลว่าผมไม่รู้ไม่รู้อันใด ไม่รู้ทุกข์ทั้งนั้นพอแม่พรมโบราณท่านว่าให้ฟังย่าเห็นทุกข์เป็นสุขว่าเห็นมนุษยเป็นสวรรค์ย่าเห็นกุญแจเป็นบดบัวเห็นอันนี้ตีีโกมาบุทรตรีโกมาบุตรจริงๆทั้งนัน้ย่าเห็นทุกข์เป็นสุขเนี่ยเห็นตรงกันข้ามทุกข์อันนั้นเราคิดแต่ว่ามันเป็นสุขเอเห็นมานารกเป็นสวรรค์นเนี่ยโยกสร้างคนมันเป็นมนรกสร้างครกสร้างอะไรมันเป็นม น, นุษเนี่ย เนก็ยัได้เห็นคนจับเป็นรัก บ, บัวอยงนึงเอาเข้าใจว่าอันนั้นมันช่วยันงาน ม, มันเป็นของดีของดีเออันนั้นเราถึงกบจับเป็นรักบัวนมยจ้ซื้าคนมีปัญญารู้จักไม่มีคนไม่มีปัญญาบู้จับรู้บูบ้จักแล้วก็เพือข ล, ลังเขาไปเี้สร้สางภบสรา้าง้าขึ้นมะาเลยนี่เนาะคมจริงอันนั้นเราสู้ฝั่งนั่นไงถ้าหากบู้จับมาแบบตอนเป็นนละววัก่อนคนจร พ่อแม่ก็คือเราสุสังคคูบาอาจารย์ก็คือเราสุสังพ่อแม่สร้างพบสร้างไปจบมูอเป็นน้ำมันเท่านั้น่าพอแม่ห่ออยู่รวมเทกันเนี่ครื่องท่นทำนานกันนั้นมันเป็นน้ํามันคนไม่มันเป็นน้ํามันน้ามันนั่นเป็นเครื่องกรองคือแม่เป็นเครื่องกรองพ่อเป็นคนทําอันนี้พ่อแม่เ็คือเราสุสังเนี่ยคนเข้าคนแก่ขหนักเล่าสู้ฟังในนี้ละสมัยเด็กเด็กเาะแป้นนจัก เมราว่าเจ็ดมือเป็น hmm. น้ม oh. uh ันเจ็วันเป็นข้เลือกสิบห้ามือแตกตุ้มออกมาเป็นห้าอย่างเลยว่าต้อหัวออกมาแตกไรออกมาต้ตุ้มอะไราออกมาเป็นตุ้มห้าตุ้มเลนว่าแล้วเราดูเขาจเมื่อนเทีนีถกตองว่ามีถูกต้องมันเป็นกฎของธรรมศาตร์เมื่อเป็นยังไงก็ตงเป็นยังไงมันนันตัวเมื่อเขาบุ้งจากธรรสร้างอันนี้ขึ้นมาเมื่อสร้างอันนี้ขึ้นมาก็เป็นพวกต้อต้อกันไปแล้วอันนี้ เม่เข้าใจตัพี่เข้าใจเมื่ออายุ40 ป, ปีเมือ่อไปะจรินสติแบบนี้เมือเ่อเจริญสติทุกเรื่องทุกคนรูขึ้นมาที่รูจริงๆไม่ยัมีทนจริงไม่มีนมาเราสู่ฟังบ่มไม่ขวรว่าจริงได้ไหมบ้านนี้เคยได้เงินคุณบ า, ากกลสั่กันเราให้สังว่ามีถามหรือมีไกระทักไายกับพี่ยอดตายแล้วเพิ่อนไหมเพื่อาาแล้วตายไหมตายแล้วสูดไหม ขบวนเจ้าปฏิเสธทั้งหมดตัวเลือกสายตัมนสายเลือกโ่วแมนตายลือกสูบตัวแมนเนีจังไรอันนี้เนีสายเลือกระบบสูบสายแลือกเคระบตานี่อันนั้นเพิ่นปฏิเสธไว้เพิ่นให้รู้จักอันนี้นี่มันเกิดแล้วมันตายไปแล้วเนี่ยชั่าคนไ่ได้เกิด่ตบไ่ได้เกิดไ่ได้ตาจมันสร้างมันสร้างขึ้นมาอันอันนี้มันตายแล้วเพาะมันเป็นภาวะอันนี้ อันนี้แหลที่ว่าเป็นก้อนเมือสะเ ด, ดเป็นก้อนผุฝึกฝาให้รู้จริงๆเราอย่าไปติดตำหนักตำงาอย่ไปติดกูบาจัอย่าไปติด ค, คนเล่าดียไปปิดคนเล่าซัวให้เขามาลู่ตัวเรามาพิจารณาตัวเราให้จริงเมื่อลู่ตเราจริงๆมาเป็นว่าพอมีรอยให้สังันได้ลูกได้ัวได้มีเลือดขนมีเลูกดขึ้นมาเนอเกเจ็บผุหัวหัวผุซอกตอกสอกุด ข, ขากั้นมาอันนี้เ น, นีอนน่อันเดียวาอ เมื่อมา ร, รูแลอันเดียวกันหมดแม้ที่เราจะมาตวดสมมุติเข้า ม, มาเรื่องปฏิจจรมุ ป, ป, ป, ปบาิเป็นคนเราคนเราของผู้ที่ดูแ่หมายเอาคงมีปัญญาสังเวยบุตรตนี้คนบม่มีปัญญาสังเวยบุตรไปจีบคนหมายบุตรแล้วบันไม่ใช่<ๆ>ที่เอาจริงจริงว่าต้องมาสอนตอนเสกที่ก่อนสอนให้สร้างจังหวะที่ก่อนสอนให้สั้งจังหวะเราพอที่มึงเพื่อนปัญญาล้วเราปุ๊บมันรู้ันทีสอนให้สั้งจังหวะ สอนให้รู้จวกวิธีการสอนให้รู้จักวิถีไวสอนให้รู้บววิถีดำนั่งเข้าให้จังพันยืนเขาเ้าให้จงีนั่งเข้าคเพียรลงจังซีนั่งเข้ายืยนขึ้นเงซีสอนจังซีอันนีู้กแอันนี้แกอุ้มขันรู้ผ้อจุจิรจะไหมกระลุก่ที่นม า, ร, านร้อนะยสอนนะี่รับรองไหมในคำพูดเนี่ยรับมองจริงๆรนะิไหมบนเมญจิวาศาสนาครุฑสอนจังนัศาสนาพระยุสสอนจังนัง สาสนาอิสลามส่วนอย่างนั้นหรือศาสนาฮินดูส่วนอย่างนั้นบาหวานได้ันี่ยเดียทุกศาสนาสวนดีทั้งนนดดีั้งนั้นแต่ว่าข่าบูฮุสกาเราเราคิดดูดูมี่หนังสืกส็เราม า, าสืบเบาหวานย า, าสูเสื้อตำหนักตำหนักตำานักยาสูดเสื้อที่เขาเ่าต่อต่อ น, นอยัย า, าสูเสื้อเห็นว่าเข า, เ ล, าลือกัหนักยาสูดเสื้อเห็นว่ามันมีอยู่ในตัวหนังสือ ตำหนักตำราอยากเชื่อว่าเห็นมาพูดเก่งสิบข้ออยากรู้ไปดูเอาถ้าพรเจ้าตายไปนแรกเดนี้เนี่ยไม่ฟองทั้งห้ารอกว่าปีมาแล้วเราจะไปจำได้อย่างไหนเราเมืรู้ศรราสนาหินดูเกิดขโมยทั้งมดในโลกนี้เนี่ยคนไหนก็มากับพุทธศาสนาโตขึ้นมาก็มากรารศาสนาซิกเกิดขึ้นมาก็มากรารศาสนาอิสลามโขึ้นมาเนี่ยมันลายยุคเราจะไหน น้าตามครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเจ้าองค์นั้นพระเจ้าองค์นี้มันเกิขึ้นมาหลายพระองค์นล้วเรื่องสวรรค์เรื่มีฐานมันมีอยู่แล้วเนี่ยถ้าพระเจ้าองค์ใดกระทาสังเวยหันเรื่องสวรรค์ไม่มีฐานนี่แหละมันไม่ใช่สังเยหันสวรรค์มีฐานมันเป็นทางแบบฮุมันเป็นทางฆ่าสื่อโลกเนี่ยผู้ใดพบมีฐานเนี่ยมันเป็นทางฆ่าสื่อโลกสง่าจักสันฆ่าอันบุกเบิบไปต่อไป แล้วหาบุรู้จักเด็กหาไปจํำคาพูดของคนอื่นมาเล่าสู้คำ ส, สัส่งซีซนะีเด้กเมื่อเหาศึกษาปฏิบัติตัวให้จริงๆของหากีรูเองนิพานมันมีอยู่ในผลพระดังมันมีอยู่ในผลมันุษย์มันมีอยู่ในผลอาวุธกีมันมีอยู่ในผลบ้ามันมีอยู่ในผลแต่อามาศึกษาและปฏิบัติให้รู้คือพูดแค่สัง่ง เม็ดเข้าเนี่ยคำนวณมันเป็นเนี่ยเม็ดเข้าเจ้ากับกันเม็ดเข้าเหนียวกับกันคันหาเอาออกจากนูนจากสานใส่ข้าใส่ที่ซุ้มที่ย็นแอกขึ้นมาทันทีแอกขึ้นมาทันทีแอกนูนขึ้นมาเป็นนอกราขึ้นมามันเป็นแบบนี้เมื่อเป็นนอกราขึ้นมาแล้วเขาเห็นหน้าเขาไปทอยเขาข้ามไปดำน้ำเมื่อไปดำน้ำขึ้นมาแล้วมันเป็นดำฟางขึ้นมาดำฟางก็เป็นเข้าขึ้นมาอีกทีหนึะงมันมูนกับยูนฟางกันมา วันนี้เอาข้าวเจ้าไ ป, ปลูกเหมือนเอาข้าวสารไปปุูกอ๋อนอ บ, บบอออกอันนี้เราพึ่นสวนเลยว่าฟ้านาคนทำนายา ก, กินฝางฟางกินบเบ็นได้ยาเอาฟางไปคิบเอาไว้ให้หัวให้หัวชิ้นหนึ่งกินข้าวตั๋วเป็นเบ็กินเบ็ดเป็ดไก่มันกินเต็มข้าวกนะั๋วไงเป็ดไก่หักไปยูให้มันกินเป็มตัวมาแมงจึงกินเต้ น, นบัานนี้ ข้าสารจินเป็นบ่กินบ่เป็นกินเป็นนี่ยของสารแต่กินอะไรมันเป็นพวกเก็นรวมกันว่ะแต่มดมันคนแต่ละมันจะเออกมันกินไปไหนกินข้าสุตมันกินเป็นเทนานหร่แบบนี้เราก็ต้องรู้จักที่ว่าบรมแห่งในการทำบุญการรักษาจิตบรมแห่งเนี่มันบรมสูตรมันบรมวิธีปฏิบัติอันนี้สูตรอันนี้วิธีปฏิบัติอันนี้มันต่างหากบางนั้น ทำที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนแสวงพบและวาสูฝังวาสูฟัน ร, รันะเลียตกคุว่ามันเล ย, ยปฏิบัติมแต่ว่ายังพระาศาสนาเฮนดู น, นั่นแะบจชกอันนี้คงจะขอาเรื่อง น, น, นี้แมื่พุทธศาสนารู้รู้เรอนสอนบัดนี้พระพุทธเจ้าตายไปมโหฬานนี่ปรากฏว่า สังญานาขึ้นาเป็นโู้ที่ลบล้างพระธรรมวินัยตั้งสังขารนาครั so first, ้งที other, ่หนึ่งยังไ่ได้เขียนหนังสือเี่าไ่ตั Secret ้งสังขานาครั้งท I mean, ี่สองยังไม่ได้เขียนหนังสือเท่าไหรตั้งคั้งสังขารนาครั้งที่สมที่สี่ยังไ่ได้เขียนหนังสือสังขารนาครั้งที่ห้าที่ยังม่ไดเขียนหนสือสังารนาครั้งที่ห้าเนี่ยพระพุทธตายไปแล้วไปสี่ร้อยห้าสิบปีแล้วสี่ร้อยห้าสิบปีเนี่ยมาทดทวนระเบิดมัอ่งนี้ถ้าเป็นอนยุคนเนี่ย ไม่ที่จับผูวคนได้ตายไปเราต้องพิจารณาน้ามู่เสื่อลองสมมุติให้กนพ่อหาแม่เหเาแนวเกิดมาอายุในเกณ5ห้าปีนื้อสามปีสองปีที่บ้าเราเด็กะได้นือคันว่าน้อยกว่า น, นี้นันเอาตั้งแต่อายุในเกณ์สิบปีพ่อแม่ว้อย่างไรให้เดยวจำได้บ่ทุกขังจำบ่ได้เคยถามมาแล้วหลายคนอันนี้ยังตั้งสี่รอยห้าสิบปียว่ะทะได้ มากระจันได้ผิดผิดกับผู้มาจิ้วซ้ำมีนํายังโบได้เป็นคนไทยเราซ้ำเป็นคนอินเดียเราซัำเนี่ยมาแปลหนังสือนั่นบางทีถูกก็ได้ผิดก็ได้เพราะมันไม่เป็นภาษาเขาเนี่ยงานแปลภาษาทีไรสังนี้เป็นคนไทยไแท้ๆเราเลย่างโมโหเด้่ยมันก็ยิ่งไล่ก็ภาษ า, าอินเดียมาแปลเป็นไทยเพราะเนาะแปลคนไทยเราชู้กันซ้งอย่างบูรูษขนาดนี้เพียงว่าให้รู้จักรูปนามนี่นะบัด น, นี้ภาษาอินเดียที่าทังหห้งรูปนาม รูปธรนามธรรมรูปโลูกนามโลกพุกทังอนิจจานัตตาสมุปศาสนาพุทธศาสนาบากบุญมิจีวะส่วนหนึ่งของอินเดียแม้ไปแปะมาบ้างอยู่เตมาผิดนิทุผู้บุหักตอนปฏิบัติแล้วจะรู้อย่างนี้ได้แบบนี้คำว่ามัทธูไตรลักษอาการโพสะโมหะโลภะเลชนาปัญญาสังขารนั้นคนอินเดียมิจิวะส่วนใดหู้บุหักอยกได้แบบนี้แล้วเพอไปแปะมาบางทีอาจพูดก็ได้ผิดกัได้ ที่ว่าตานนี้คนไทยได้เนี่ยเราอยู่ดียวเแล้วยังไม่เข้าใจกันไม่ราอยู่ีนกัเนั่นเราจะไปติดตันแบบต่างๆกันไหนบรคือยังว่ากิเลสตางหัทานการเนี่ยอาจะรย์จปลจังไดนเขาบุเข้าจัดหน่หมอจังแดนางสาขาเจ้าว่าวแ้จักรถหนึ่งแต่ทางสาขาเจ้าว่าวแต่ยขับตนนั้นแต่ยังลงอย่างลืมอันที่เขาว้าวันนีพอแม่เขาสอนแยังบจัได้ดเรื่องทีไปจาหรือฟังเข้าใน กำลังตำราอันใดากัระกกันเรียกจะไปทํำลายมีไม่เอาไว้ฮั้นคนมีปัญญาจะไปอ่านเอาสมาปฏิบัติกลุ้มหรืออ่านได้ที่ได้ปฏิบัติเอาไปสอนผูอ้อื่นกรู้ะคนที่ได้รักกรู้มเกิดตัวหักซิโบได้นักพนอันที่ไปสอนผูอ้อื่นฮั้นบันนี้เราต้งปฏิบตัติต้องทําจริงๆถมันเกิดงานคนดูจริงๆอันนี้งานคนจรมาเราสูฟังเรื่องปฏิจาัสมุทอบาทมันอยากเข้าใจว่าปิตาเป็นภพอะไร ให้เข้าใจว่าตรงกันข้ามเพราถลำเข้าไปกะวิสาเกิดขึ้นเกราโง่โดยรู้กะวิสาเต็มเต็ใจปวดสังขารทำงานเมืเ่อฮาโบรู้แล้วปดสังขารปุ่งแกนขึ้นนะชอบจัเกียดกะวิสาตัวโดคสังขารสังขารเต็มเต็มใจโดยงานโดยรู้ยิ่งใหญ่ดยรู้รู้รู้ทราบอันนี้รู้ทราบอันแท้แทน อวิชาไปเจอป็นสังขาสังขารเปไปเจอเป็นังานเป็นเจกนาลูนามตะคุอใจนี่งรูร้เป็นสังพัทธ์หนี่รูร้จากตรงที่จริงๆน่นามรู้ปลอวิเป็นเจกนานามรู้เป็นไปอทาจนะันหน่งมันเป็นอะไรกันลูกมันสปาร์เป็นโคกับบเี้ยพันวาอันนี้เป็นโรกีน่ะป็นปุ๊บใบนี้อวิชาบันะสังขัรกระดับเนี่ยเขารู้จากแล้วดวถนาขับไปบดอวิากระดับเรื เมื่ออาวิชาดาไม่สังขารกระดับสังขารบัดยิ่งยงกระดับให้มันไม่ดัดตายได้ให้มันรู้จักไปอย่างใจฟูใจเพื่อนว่าอยาเห็นทุกเป็นทุกให้เห็นทุกเป็นทุกให้เห็นนลบเป็นนรกให้เห็นกุศลเป็นกุศลคนละเดี๋ยวนี้เราไปเห็นทุกเป็นทุกเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นกุศลเป็นนักบุคนโบราณทยังสอนอะไรว่าอย่าเอาทุกเป็นบ้านนะสิอย่าเอาคนไทยมาเป็นเพื่อนนะสิ ยาเอหันเป็นสามันเป็นที่มาของคนที่บัตรธนวัตรเดี๋ยวนี้นี่หาบุเป็นอะไรฮะเอาคบเป็นบ้านฮะเอาคนพามาเป็นเพื่อน้ะเอาเนมาเป็นสามันเป็นที่มาของคน่บัตรคนพิฆาตจิหายมันคบไม่เดคอดริ้นเบี้ยริ้ไทยเป็นหัวหน้าคนมาจัดตรนี่คนถานริ้เดียินไทยเยนีมันเป็นให้ระสิดคุกท่านของจีวาบ้านเราเหรอมันโมเม่ไหมคนสมัยนี้นี่ เห็นคนเข้าคนแก่คนบูรุวนาณพ่อแม่นะว่าเป็นคนโห่อะไรต่างบุ้งหัวจับแต่ว่บุรีเดียนมังซีบอกแป้งชื่อทาเลบมันเขาเต็มดอกบไดีเดียนมันซีใกล้เขาให้สุอาดอกนี่คนว่าเห็นเขาเห็นแม่เห็นเขาเห็นแก่คนบรุวรรณโง่เนี่เห็นนักเลงโตว่าเป็นคนสลากคนน่ะเนี่ยนักเลงโตคือมันสลากสลาดพูดเห็นเอ็นก่อนถู ความสาเข้าสเข้าเมื่อเทโลบินเห็นหน้าองค์จรวาลรรมมาอัแม่เาแก่เข้าแม่าติาติดองฟังเ็นพ่อเป็นพ่อเห็นแม่เป็นแเ็นข้าเห็นแก่ให้เป็นขเป็นแก่เข้าใจตังข้าว่าเป็นพ่อแม่เข้าแก่เป็นคุณพ่อเห็นนักเรียนตัวเป็นจัสรวาอุบาสิกเข้ามาในบ้านเมืองเขอุบาสกนเนี่ยเขาก็เลยไปให้ฟังฟับูหนังแป้งคิ้วทาเล็ อ, อุบาทต่เ น, นี้อุบาทมันฟุ้งมันพุ้แต่หาเหงนเนีมาฟื้งฟื้งหมดแล้วก็แต่หาเหงินอีกซืง้งมันก็บทบห น, นุแ่เนี้ล้วนนี้มันหไดจริงธรรมศาสตมันเป็นอยาง้งเฮาศาาึกษ า, กาให้รูจกก้จักธรรมศาสตร์กันทีนะให้รู้จักคบจับธรรมศาสตร์กันทีนะถาเขาบูศึกษาหาธรรมศาสตร์เนี่ที่เป็เรีย น, นก็ควมู้ใ น, นทุกแบบทุกจริงจริงนะมาศึกษาหาธรรมาตร์ ให้ให Del ร wrote, ah, ู้จักกบบคธรรมศาสตที่บุคนี้บุคคท้ถ้าหากที่นี้จำเป็นกับต้องอยากได้บุคไล้ของไดียร์ทำเขาเตอมกับทุกน้อยที่มันจะมาทุกนี้เดียร์จะเห็นว่าได้ฟังเมื่อบันมีลูกเ่าเป็ทุกันอุ้มพางุใครทำผู้หญิงผู้นึงมาหาเีินมีทองทุกบาทบุคคลจับเพามันเงี้ยเส้นมาจีรานโยเป็นนายุ่งเงือน พ่อแม่เท่ากัเคยสอนมาอีกที่นี่งูมัน เ, นนเกอดเออกมาจากอแม่มันคนมีกำลังมันอุ้มม ส, ม, สมอซึ่งอุอ้จนงูตัวนั้นง่ายน่าเขามันเป็นตัวเอุ้มได้ลเลยจนมาจนมันง่ายจนถูกอุ้มห้ามันเปนอุ้มุึมซึุขัมวามาเคยซี น, นันนั้นมาเลยงั ว, วนั้นบนหลอันผู้ยิมีทองก็คือกันมันง่ายขึ้นมาทีรน้อยที่ันบูเขาจวัดคอนจะขไงบูเขาจว่าจะของทุกบูเขาจับทุกงู ที่น่าคนที่อยู่ในท้องกับบุคคลจักทุกข์อันนั้นละมันเป็นนรกกระไดเขาบวกเข้าใจไหอันนั้นลกใต้ดินมีนก่ก่อนกรเแมนอันความโกรธความหลนี่นกระทุกกระแมนแ่ฝึกสาหลักปฏิจารที่ว่าๆ น, นให้ฟังให้เข้าใจกันนะครับ